ประเทศเรื่องกรรมมีบทบารีว่าธรมุนาวัตติโลโกโ้ธมุนาวัตติประชาธรรมะวิพัชันติท่านบอกว่า กรมมน่าวัตติโลโกโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมนาวัตติปชาประชาชนทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมวิพัฒนติกรรมวิชกกาวิพัฒนติท่านว่า กรรมย่อมจำแนกแจกบุคคลลึกัตก์ทั้งหลายเป็นไปต่างๆท่านว่าในอย่างนี้โลกธรรมะยังต้องเป็นไปกับไปด้วยกรรมโลกในที่นี้ท่านหมายถึงเรื่องขันธโลกหรือเรื่องโลกคือดินฝาคือภูเขาต้นไม้ ภูเขาต่างๆดินอนดินหยาดฟ้าอากาศฤดูทั้งพวกมดเรียกว่าโลกทั้งนั้นแหละไอนั้นเรียกว่าโลกอันหนึ่งคือพวกไม่มีวิญญาณจิ่งนะพี่ไม่มีวิญญา ณ, รญญาณครอนเรียกว่าโลกสิ่งที่มีวิญญาณครองนั้นเรียกว่าก็โลกอุกันเช่นมนุษย์สัต ที่อยู่ในโลกนี่แหละทั้งหมดท่านก็เรียกว่าโลกเหมือนกันถ้าไม่มีเหล่านี้แล้วโลกไม่จะมีอะไรเป็นเครื่องปาถ้าเป็นอัจฉรการว่างเปล่าเสียแล้วไม่มีของวันนี้แล้วไม่มีโลกเ้าเรียกว่าชัจการอันนี้มีโลกอันนี้แหละ ของที่มีวิญญาณคลองเกิดไม่มีวิญญาณครองกันมันเกิดขึ้นมาจึงเรียกว่าโลกคา น, นี้โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทําทําดีทำชั่วเรียกว่ากรรมขางไม่มีวิญญาณคลองแหละ มันจะทำดีทำชั่วได้ยังไงจะเรียกว่ากรรมได้ยังไงของที่มีวิญญาณคองก็ยังชั่วหน่อยไม่อมเป็นไปถ้งเกิดกรรมหมายความว่าโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานาเช่นร้อนเช่นหนาว เช่นเดูฝนต้นไม้ก็อซีดออกฝนดูแรงทะลวงลอยเหี่ยวแห้งนั่นเปลี่ยนแปลงไปกับโลกามเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปกับโล ก, ก, ลล ก, โ, ลกโลกอันนี้ไม่ไม่มีการทำไม่มีวิญญาณเป็นเป็นเครื่องครองทาอะไรก็ไม่ได้ แค่มันเปลี่ยนแปลงไปดินฟ้าอากาศเราดูร้อนฤดูหนาวไทยไดแต่งเราแป่ ง, งมันมันไม่มีวิญญาณครองมันทั้งเป็นอยู่ธรรมชาติที่ท่านมาโลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ความถึงว่าสักที่มีวิญญาณครองนั่นเอง โลกมันร้อนมันหนาวมันเย็นฟ้าฝนตกออกมาดินฟ้าขาดเปลี่ยนแสงเลยดูโลกที่มันมีโลกที่มีวิญญาณของอย่างที่ว่านะั่นแหละมันเดือดร้อนวุ่นวายไปตามมันก ร, ระสับกระส่ายด้วยเหตุต่างๆนะเรียกว่าเป็นไปนตามตามับ <c oughs> หมายถึงความที่โลกที่มีวิญญาณคลองถึงนอกมารินมีวิญญาณคลองเอาเถอะมันเปลี่ยนแปลงนั้นก็คล้ายๆกันก็ว่าเป็นของมีวิญญาณเหมือนกันจึงเรียกว่าโลกมันเป็นไปกับกรรมกรรมไม่ใส่กไม่ไม่ทราบไปทําก็ไม่รทราบแต่ไหนแต่ไร ม, ม, มันก็ไม่ทราบมันยังค่เกิดโลกอันนี้ มันเป็นไปตามเรื่องของมันแต่มื่เปลี่ยนแสงอย่างมนุษย์ของจากัตัด ท, ที่มีวิญญาณครองอันนั้นมันก็สับกระสายเดือดร้อนธรรมชาติทันเจ็ดอย่างนั้นมนุษย์ศาตร์ทั้งหลายที่มีวิญญาณครองไปสวมเขาก็าเกิดความวิกฤตวิการเดือดร้อนวุ่นวายไปตาม นั่นจยงค่อยเรียกว่าโลกเป็นไปต่างกรรม น, นั้นอย่างหนึ่งีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากามมุนาวัตติปิชาข้อที่สองมนุษย์ชนทั้งหลายนี่แหละย่อมันไปกับด้วยกรรม คือมีคิดดีคิดชั่วมีคิดหยากรายละเอียดมีกระทับกระสายเดือดร้อนดิน้นรนด้วยประการต่างๆท่านั้นเรียกว่าตัวกรำคือมันเดือดร้อนวุ่นวา ย, เ ร, ย, วารรายเรียกว่ากระทับกระสายเรียกว่ากรำถ้าอยู่เฉยๆก็เรียกกำทําให้เกิด ความดินโลนอยากจะคันร้อนก็อยากจะให้มันเย็นมันเย็นนักก็อยากจะให้มันอุ่นมันไม่พอดีถ้ามันอุ่นแล้วก็ชอบใจพอใจนั่นะเรียกว่ากรรมการชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายาเรียกว่ากรรมยังเรียกว่ากรรมมนะุณณะจะตีไปชา อันนี้กรา ม, มาสไตายพัดชันติกรามนั่นเป็นเครื่องจำแนกแจกคนให้เป็ น, นต่างๆ น, นานาเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายเราไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นกรามนั่นแต่งต่งางๆเป็น รูปเตี้ยรูกต่ำูปสูงรูปโปร่งรูปขาวรูปดำมีอาการแตกต่ า, ตางลักษณะต่างต่าลองให้ดูคนเราคนจั้งร้อยมันเหมือนกันหรอกเท่าไรจกันนิดเดียวมันที่ให้เหมือนกันไม่เหมือนหรอกไม่กรรมมันแตง กรรมตกแต่งให้แปลกๆต่างๆท่านเรียกว่ากรรมมาพิชังคือกรรมน้ะเป็นตัวพืชเป็นพืชผลกรรมมาพิชฌังกันหาสินเนหังกันหาคือเยอะเยื่อใหญ่ คือมันน้ํามันของมันต้องมีไอ้ลูกไม้ที่เป็นพืชผลมันต้องมีน้ํามันอยู่นายในมันไม่แห้งมันแห้งแล้วมันก็เพาะไม่เกิดแห้งแล้วก็รีบเหียวไปนั่นนี่มันมีพืชอยู่นะที่เรียกว่าตั้นหาสินิหังตั้นหามืนกับเยื่อใหยเข้งมันนั่นเอง น้ำมันของเม็ดนั่นเองอวิชาเขตต่งางอวิชาเนี่ยเป็นพื้นแผ่นเหมือนกับพื้นแผ่นดินถ้ามีแต่พืชไม่มีพื้นแผ่นดินก็เพราะอะไรก็ไม่ได้ถ้ามีแต่พืชไม่มีไม่มีน้ํามันมันก็แหี่ยวแห้งไปถ้ามีดินมี นั่นแล้วไม่มีพืชมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเหตุนั้นสามอย่างนี้แหละจึงค่อยเกิดมามนุษย์เราไม่ได้คิดว่าจะเกิดแต่เกิดด้วยกา ร, รมาัิจารณาจิ่งนี้ค่ะวิชาเกียรตินีเองสามอย่างนี้แหละผสมกันเข้าแล้ว ก็เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์สัตว์รศาในใด้แดงต่างๆลาอย่างหลายเรื่องจนนับไม่ถ้วนําว่าพืชได น, น, นี้คือใจใจเป็นพืชตั้นหาคือความยืมคือมันเป็นน้ำมันของพืชเั่นั้นเมันมีตั้นหาแล้วก็ เป็นเหตุในก่อเกิดต่างๆในภพชาติต่างๆแล้วมีตัณหามีจิตแล้วยังค่อยเกิดในภพอันนี้เรียกว่ากามมพบที่ภพอันนี้เป็นของมีกาม ที่ความทะเยอทะยานดิน้นลนอะไเป็นกามความอยา่างนละนนท์อยา่างแล้นอยากเป็นนนท์เป็นนินัตนในตัวกามในกามมาพบมันไม่พ้นจากนในกามมาพบถ้าพ้นจากกามไม่มีนมคนให้ะเยอทะยานดิน้นลน สัานหาไม่ความอย่างโนอ้นอย่างนี้ไม่มีได้เกิดในรูปครบคือเอารูปเป็นอารมณ์ไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายดูเต็ดเราฝึกหัดภาวนาลองดูเมื่อจิต มันแพ่งที่จะนาลูกมันก็ไม่มีปรากฏเทศหญิงเพศชายมันอยู่ของมันต่างหากความที่ไปติดในอารมณ์คือลูกอันนั้นแน่วแน่อยู่อันลูกอันเดียวนั้นคุหัดสมาธิภาวนา เข้าถึงสมาธิแล้วแน่ๆอยู่ในรูปอันเดียวไม่ได้เกี่ยวถึงเรื่องกามนั่นแ่ะท่านจึงเรียกว่ากาพอบมันหนีมันเหนือพ้นจากการมาภูมิแล้วมาลูกปบพกบมาลูกปบะภูมิจิตพ้นแล้วจากรูปปรกบพิจารณาแต่จิตอันเดียว ความว่างความยึดถือว่างของว่างของไม่มีอะไรนะนั่นเป็นอนุปกภผลฉันรูปปพภแล้วขึ้นถึงรูปปกภอรุปกภมนุษย์คนเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงอยู่ในกาลปูมถึงยันไงยังไงก็ไปเมาพคนแล้วเกิดอาพอยู่ในกาลปูมะ เกิดในกาบมาภูมิสเสวยอาหารการบริโภคเครื่องนุ่งของห่มเครื่องใช้ไม่สอยทุกอย่างล้วนเลยทุกสิ่เรื่องของกาบที่มดเกิดในกามใช้ของมีอยู่ในกามตายในกามมันตัวกามนี่แหละ ที่จะพ้นจากกรรมได้ก็เพราะอาศัยกรรมนี่แหละเป็นสี่คือเห็นโทษเห็นทุกข์ในเรื่องกรรมเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์แล้วแต่ยังไปไม่พ้นอยู่ประจําเป็นจะต้องพิจารณาถ้อยู่อย่างนั้นล้ามไป จนกระทั่งมันเบื่อมันหน่ายจนกระทั่งวางคลายตรงไปวางลงไปไม่ยึดไม่ถือนั่นอลเนี่ยคนแตกกรรมย้อนกลับพีจ่จะพี่ไอ้อธิบายทังเรื่องกรรมอีกคนเราเกิดขึ้นมาแล้วยว่ากรรมตกแต่งให้เป็นไปทางสังนา เราจะพ้นจากกรรมไม่ยากไม่ได้คู้ค้นจากกรรมท่านก็มีอยู่จิตของท่านในไม่เกี่ยวข้องกับพันธะเพื่อกามในเรื่องกรรมเรื่องกรรมท่านก็พ้นใดเหมือนกันอยู่ในกรรมนั่นแหละอยู่ในกรรมนั่นแหละแต่ค้นจากกรรมแลือพ้นจากกรรมได้ พอใจไม่ยึดไปถือไมนน่พ้นได้เหมือนกันเมื่ อ, ม, ม, อ, ม, อมีเมื่อเกิดมาอยู่ในกรรมเมื่อเกิดมาอยู่ในกรรมแล้วกรรมตกแต่งให้เปลี่ยนไปแล้วบางคนเมื่อทําบุญสนทานอะไระต่รางก็แผ่บุญไปกุศลให้เจ้กรรมนายเร ไม่ทราเจ้าการเรียนไปอยู่ไหนแผ้มันไปอะไรให้มันพ้นจากกรรมจากเรียนในงานหรืมันจะพ้นไปไหนอ่ะมันอยู่ในที่นี่มันพ้นไปไหนเจ้าการเรียนก็คนนี้เป็นตัวกรรมตัวเวรไม่ใช่คนอื่นทําเราเป็นคนทํากรรมต่างหากยังค่อยเป็นกรรมไม่ใช่เป็นตัวไม่จากอื่นจากไกลไม่ใช่กรรมจะวิ่งมา คนเราไม่ใช่กรรมจะวิ่งมากระทบเราเรือการวิ่งหนีอย่างนั้นไม่ใช่เราทำนี่ค่อยเป็นกรรมถ้าเราไม่ทาก็ไม่เป็นกรรมนึงให้เข้าใจเรื่องรื่องกรรมพูดย้อนไปอีกทึ้งเรื่อง การทำบุญบุญไม่ใช่เป็นตัววิ่งมาช่วยเหลือให้คนพ้นจากทุกข์จากภัยไม่ใช่ช่วยเราให้พ้นจากทุกข์จากภัยอย่างนั้นแต่ตัวเราเองเป็นคนทำบุญตัวบุญแท้คือคือใจของเราเราสร้างคุณงามความดี เน้นอเกิดพื้มปีติอิมมอ่มใจความอิ่มใจความพื้มปิตินั่นแหละตัวบุญจะสามารถทำให้คนค้นทุกข์ได้ไหมบุญได้ความอิ่มใจพอใจในเรื่องที่เราทำดีนั้นความทุกข์โศกโลภให้สามารถที่จะหายไปหมด ในขณะที่มันเกิดความสุ่มดีตินั่นบุญช่วยไม่ใช่วุ่นบุญเป็นตนเป็นตัววิ่งมาช่วยให้เข้าใจตัวบุญอย่างนี้จึงจะถูกต้องตามพุทธศาสนาบางคนเจ็บไข้ไม่สบายล่ำพันล่ำไหล เรื่องบุญกุศลท่ามากมายก็ไม่ช่วยไม่ช่วยหรือเนาะไปอยู่ไหนบุญไปอยู่ไหนนั่นคือมาด้วยกตัวบุญเวลาจะตายจะร่ำจะตายบุญก็ไม่ช่วยเนาะบุญไปอยู่ไหนไม่เห็นมาช่วยกันเสียดายทงบุญนมทางนมามากมายบุญก็ไม่มาช่วย ทำามากแล้วไม่เห็นบุญเลยหมดบุญการที่ว่าไม่เห็นบุญนั่นแหละมันตัวไม่ช่วยตวเราได้บุญนั่นมันอยู่ที่ใจถึงว่านี่แหละเราทำแล้วนานแสนนานแล้ลึก ถึงคุณงามความดีที่เราทำเกิดปึ้มปีติขี้อิ่มอกอิ่งใจพอใจในคุณงามความดีของตอนนั้นนั่นบุญก็เกิดขึ้นขึ้นยูเสมอเสมอไม่ใช่ทำแล้วจะได้แต่วันนี้เท่านั้นพนรุ่งนะี้มอรือตีหน้าต่อไปหลายปีคิดถึงมันก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ คิดถึงบาปเหมือนกันทำกรรมชั่วไปแล้วคิดเมื่ อ, อไรก็เดือดร้อนเมื่อนนั่นแ่ะจะไล่ปีไปแล้วยังเดือดร้อนอยู่คิดอะไรก็อะไรกันนี้เดือดร้อนอยู่ทำาบาปแล้วย่อมปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้แต่เรารู้ด้ดยตนเอง คือเห็นที่ใจของตนเองบาปนั่นแหละมาชักชวนให้เราไปนรกนรกอยู่ที่ใจนั่นแหละเกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละบุญเนั่นทาไไปแล้วประกาศโฆษณาคนอื่นให้รู้ทัว่วให้รู้มากๆเขาได้ยิ่งดีใจชอบใจ สวนี่เกิดขึ้นที่ใจต้องอิ่มใจพอใจเกิดไปในที่นีน้ที่ท่านว่านรกอยู่ในจใจนรกอยู่ที่ อ, อกคือที่หัวใจนั่นเองสวรรค์นี่ที่ อ, อกนรกอยู่ที่หัวใจอันเดียวกันนั่นแหะ อ, อกกับหัวใจอันเดียวกันน่นถ้าพูดถึงใจแล้วก็ชี้ก็มาอกนรกกับสวรรค์อยู่ตรงนั้นแหะนรกกับสวรรค์จึง ไม่ขีดไม่ข่วงกันไม่เหมือนมนุษย์ชาวโลกบ้านเราเน่นบ้านใหญ่โตอยู่ด้วยกันมากไม่มีที่ปลูกเรืองเหยียดยัดกันไหมมดส่วนสวรรค์นั้นหรือนรกไม่มีครับไม่มีเหยียดเบียดกันไม่มีบิดไม่มีบังคับไม่มีบิดไม่มีเบียดเบียนกันไม่มีขีดข่วนกัน เพราะใจนั่นแะมันไม่ขีดขวางกันอย่างคนมาทำบุญเนี่ยสละติคนตั้งร้อยตั้งพันทำบุญไปเถิดคิดว่าจะทำบุญ ท, ทานลงไปเท่าไหร่ด้อันบุญนั้นนันมันไม่ไปเห็นไปขีดขวางใครมากเท่าไห่ยิ่งดี ให้รู้จักตัวบุญตรงนั้นแหะเวลาเก็ดรตรับไหวเวลาได่จะตาาบุญของเราตรงนั้นเน่ยจึงจะไม่เสียผลในการทำบุญเราทำมันว่างวาแล้วจะไม่เสียผลงนบุญอันนี้แหละเรียกว่ากรรม บุญทิวานี่ยเรียกว่ากรรมกรรมดีบาปทิวานี่แหละเรียกว่ากรรมคือกรรมชั่วนี่เลยมันแต่งให้คนมันแต่งให้คนเป็นไปต่างๆนานากรรมชั่วก็รูปชั่วจิตใจก็ชั่วแล้วก็วกหม้อหมอ ง, มอง าอาแนหารการกินธรรมะกินไว้พออยู่มุ่อไม่พอปากก็ท้องก็อยากง่าแข็อนนั้นแหละมันมีนกรรมชั่วขนออกไปขั้วออกไปมากมายหลายอย่างที่จะอธิบายไ้คนดีเนี่ยคือกรรมดีธรรมะกินก็ รุ่งเรืองจเจริญค้าขายงอ ง, งามสิ่งที่ไม่ควรได้ก็ได้สิ่งที่ไม่ควรเป็นก็เป็นสิ่งไม่ควรมีก็มีบัลลบนานให้มัลเกิดขึ้นมาด้วยกรรมดีของตนให้อุดมสมบูรณ์บางคนนั่นขอตินขอพรข อ, อขอให้ ูเย็นเป็นทุขขอสินก็พรนะฝ้ายรูกรวยโอ้ยจะมาก็ไมท่าไก็เอาไหนมาให้แล้วจะมาให้สินให้พรด้วยเซ่ก็ให้ไปงั้นน่ะเพื่อเพิ่มคูณกำลังใจแต่แล้วก็เราเป็นค้นหา เราเป็นคนคนทำการ ม, มันดีเลยเรานะเนี่ยเนคนทำเราเป็นคนไปหาเงินในทองม า, าจากเรานะนไม่ใช่เอาธามาไปหาไปหาที่ไหนมาให้เดชะบา ย, ยังบอกเพียงว่าไม่มีหรอกจามามีอันไทยแล้ว โยมมาเนียนทเองโยมมาเองหาเองพันโยมนไม่หาก็ไม่ได้หรอกให้ทำกรรมดีเสียค้าขายพูดจาพ า, าทีให้อัดนิสัยให้นิ่มนวลอ่อนหวานให้คนเชื่อผมชื่นชมยินดีพอใจให้มาหามาซื้อของเราก่อนแล้วกันหรอพระมาก็บอกกับเพียงแค่นั้น นี่แหละคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องของกรรมต้องหาด้วยใบทีต่างๆให้คนอื่นวให้ครูบาอาจารย์ให้พูดประทานพราสงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอะไรมาเจียวมาศักดิ์สิทธิ์เท่าตัวไม่มีหรอก ตัวนั่นแหะเป็นของสัตสิติเราทำอะ ไ, ไ้แต่ก่อนมาชาตินี้ก็ทำเพิ่มเติมไปนั่นของดีของเราที่เราทำไปนั้นแต่ okay, บางคนนั่นเราทำดีไปแล้วคนดีส่งมาให้กรรมดีส่งมาให้นะเลยลืมตัว าทำชั่วเช๊คือผู้มีอิทธิพลด้วยเงินด้วยทองด้วยศกกยศเกียนติย ศ, กกยศชื่อเสียงใช้อิทธิพลอันนั้นเนี่ะบิดบังคับคนอื่นคเมงคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละทำคงชั่วลืมตัวของตัวควรที่จะอ่อนน้อม ค่ามตนให้สุภาพเรียบ้อยดีงามขึ้นไ่อันนั้นเองผมควรแก่ฐานะของเราที่เป็นคนได้รับผลกุ้ผลมาไดกอดได้รับความดีทำดีแต่งไว้ก็ด้วยเหตุนี้แหละมนุษย์ของคนเรายังเวียน่ายตาคือ ดีขึ้นไปหน่อยเนี่กลับชั่วลงมาอีกทันชั่วนียเห็นโทษทุกข์ทําดีแล้วค่อยดีขึ้นมาทัานดีขึ้นมาแลา้วกลับลืมตัวแล้วกลับทําช่วยอีกต่อไปมันไม่สิ้นไม่สุดเป็นซากที่อธิบายไปแล้วันนี้ก็มากมายแล้วเอาละ เราเกิดขึ้นมาในชื่อว่ามาสร้างกรรมดีกรรมชั่วถึงไม่ตั้งใจจะสร้างแต่ก็เป็นการสร้างอยู่ในตัวใครเกิดขึ้นมาจะไม่ทำอะไรมีไหมไม่มีหรอกไม่ทำดีก็ต้องทำชั่วอยู่หลังไรนั่นแหละความดีความชั่วนั้น เ, นเป็นกรรม เรามาหัดภาวนาคือหัดละก ร, รมสร้างความดีหรอกแต่ว่าเป็นภั ร, รละกรรมัมจังไรยังพูดใน้ฟั ง, งเลยเสมอว่าทำใจให้เปน็นกลางๆไม่มีดีมีชัว่วนั้นแหละคนจะกลับ ถ้าทําเข้าถึงใจตรงนั้นนั่นนั่นจะพ้นจากการได้หากว่าเราทําได้ชั่วคั่วคู่หนึ่งขนาดหนึ่งก็เรียกพ้นจากการชั่วคู่หนึ่งขนาดถ้าทําได้นา น, านมันก็พ้นจากการในนานตัวจิตตรงนั้นเป็นคนแต่งกรรมไมนคิด ทรงใส่ปรุงแต่งนาเนียแดงต่างัญญาสัขารสารพัดทุกอย่างมันแต่งไม่มีที่จินที่สุดถ้าหากสติเข้าไปคุ้มครองยึดมั่นไม่ให้คิดมาให้นึกมาให้ทรงสส่ถึงว่าคิดนึกทรงสายทรงแต่งอะไรก็เอาเถอะ สติคุมมันให้มันทำไม่ให้มันไม่ให้ไอ้ให้มันทําคุมมันทําเนี้ยมันคุมเราทําเนี้ยมันคุมคุมเราปรุงแต่งนั่นเลยจะหมดทึ่จะหมดกับเราเห็นชัดแต่ตรงนั้นเนี่ย ถ้าหาค่อยยังไม่ได้เห็นกรรมเมื่อไรคือไมไ่เห็นตัวใจเมื่อไรเพราะฉะนั้นหางไกล้ักถ้าเห็นใจควบคุมใจเราอยู่ใดค่อยใกล้เข้ามาหน่อยเรามาสร้างสร้างกรรมจะสร้างคุณงามความอสร้างกรรมคุณงามความดีร แต่เราสร้างให้พ้นจากทุกหนวทางกรรมาฐานทางเดียวเท่านั้นแหะที่จะทำให้พ้นจากทุกได้ท่านมีการเป็นเมือพ้นจากทุกสักทีนะนั่งภาวนาเอาพุทโธไว้ในใจของเราในนึกไว้ในใจนันะ ไม่เห็นใจก็นึกนึกเอาตรงกลานนงน่ะตรงที่มันนึกตรงไหนเอาตรงนั่นน่ะเอาไว้เอาไว้ตรงนั้นน่ะคือมันนึกอยู่ในภายในใจอ่ะนึกเอาพุทโธพุทโธเอาใจไว้ตรงนั้นน่ะแล้วเอาสติตั้งมันไว้ตรงนั้นน่ะคือสติอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นน่ะเอาพุทโธแห่งเดียวเนี่ยไม่เอาอื่นไกลไม่คิดนึกอะไรมากมายเวลานี้เรานั่งภาวนาะ เราจะสํารวมใจใจยังไม่เคยสํารวมซักทีเดินป่านี้เราเกิดมายังไม่ทันสํารวมใจเวลานี้จะสํารวมใจไม่คิดนึกส่งไปไหนละ่ะเอาอยู่พุทโธอันเดียวจิตแน่วแน่ลงไปในทีเดียวเมือ่อตั้งสติกังนัตไวที่พุทโธแห่งเดียวแล้ว มันไม่ส่งออกไปภายน้องมันก็ตั้งมันในการที่ส่งให้หยุดเชก่อนเวลานี่จะเอาผู้โทรเดียวเลหละจตั้งมันน่นอย่างเดียวทีเดียวนอย่นั้นแนหะจนก็ะทั่งมันเห็นชัดภายในใจของตนความ นึกความคิดความสงสัยนะความหมดของใจมันก็หมดเถิดจริงมันยังเหลือที่ใจอย่างเดียวมันก็เหลือที่พุทโธกับใจอย่างเดียวพุทโธกับใจเดียวอันเดียวกันนั้นแหละพุทโธที่แตใจเี่านั้นในการทําสมาธินี่ได้แล้วนะฮักให้เป็นสมาธิแล้วจะยืนเดินนั่งนอนไปไหนก็เอาเอาอาหน้าไวในใจอยู่เสมอเสมอ ให้เห็นใจตัวตนแน่แนมีคุโทันเดียวบางคนกลัวจะไม่ทำงานไม่ได้โอ้ยอย่าไปกลัวมาเลย <c oughs> ใจนี้เน่ใจยิ่งทำการทำงานได้ดีเท่านั้นเพราะใจเป็นคนทำใจเป็นคนคิดคนนึกใจเป็นคนสรุงคนแต่งในการงา น, น, นต่างๆ แล้วเห็นใจแล้วจะรวบรวงใจได้ทันทีครับทันที่ไม่เห็นใจมันรวบรวงใจไม่ได้มันฟุ้งซ่านส่งไปในที่ต่งางๆจึงจับอะไรเป็นหลักถานไม่ได้การงานก็ยุ่งเหยินมาหมดทำเงาพุทโคแนวเนี่ยในพุโทโธเดียวจับหลักกันนั้นได้กันมันจะเห็นชัดขึ้นมาการงานเห็นชัดขึ้นมาในใจของตนเลย นี่สิ่งในภาจาคลาส้อคเคยขึ้นก็รู้ได้เลยด้วยตนเองรับอย่างนี้แหละพระพุทธรเดียวใช่ไ่มนั่งที่พอนะ